ข้อความในพระสุตันตปิฎกมัชฌิมนิกายมูลป น, นาฏในมาเคนปาสราเสสูตรนะสูตรว่าด้วยการสแสวงหาการสแสวงหาของผู้ที่ไม่ใช่พระอริยะหรือที่เรียกว่าอนาริยะผู้ที่ไม่เจริญกับการสแสวงหาของพระอริยะน่ะในข้อ312ส กล่าวว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะอยู่ที่พระวิหารเฉตะวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกาเศรษฐีกรุงสาวัตถีครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งสบองถือบาดจีวรเสด็จเข้าไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อบิณฑบาตครั้งนั้นภิกสุหลายรูปเข้าไปหาท่านพระอ น, นุ์กล่าวว่า ท่านอานนุ์พวกข้าพเจ้าได้ฟังธรรมมีกถาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเวลานานมาแล้วขอให้พวกข้าพเจ้าได้ฟังธรรมมีกถาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดคือ อ, อยากฟังธรรมเฉพาะพระภาคกันนะคือเหมือนกับว่าฟังต่อหน้าฟังกันสดๆมา ง, งั้นเถอะฟังแบบแบบใกล้ชิดหน่อยซึ่งโอกาสที่จะได้ฟังแบบนี้เนี่ยเคยฟังมานานแล้ว ซึ่งก็อยากจะฟังแบบนี้อีกท่านพระนุนก็กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงไปสู่อาสมของพรามชื่อวารามกะจึงจะได้ฟังธรรมมีกระถาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าอันนู้นไปรอฟังอยู่ที่นู้นนะนะที่ไหนที่อาสมของพรามชื่อรามกะพิษุเหล่านั้นก็รับคาท่านพระ น, นุว่าจะไปรออยู่ที่นั่น ในอัตถกถากล่าวถึงว่าภิกษุนี้ภิกษุที่เห็นมาขอให้พระนลเนี่ยนะช่วยจัดให้พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมให้ฟังด้วยเถอะเป็นภิกษุชาวชนบทแปลว่าเป็นภิกษุที่มาจากที่อื่นเนี่ยนะเป็นภิกษุที่มาจากบ้านอื่นเมืองอื่นไม่ใช่ภิกษุที่ประจำอยู่ที่พระเชตวันพันภิกษุทั้ง500รูปเนี่ยนะก็เลยคิดว่าจะเข้าเฝ้าพระโทศพลก็ไปที่เมืองสาวัตถี ภิกษุเหล่านั้นได้เข้าเฝ้าพระาศาสดาแล้วก็คือเข้าไปเฝ้าเข้าไปกราบจริงแต่ยังไม่ได้ฟังธรรมมีคาถาคือพระพุทธเจ้านั้นเป็นกาลันอยู่บุคคลเวลาจะแสดงธรรมเนี่พระองค์ก็พิจารณาการเป็นต้นเสียก่อนแล้วพระองค์จึงแสดงธรรมเพราะกาละที่ไม่เหมาะสมพระพุทธเจ้าจะไม่แสดงธรรมเพราะนั้นภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้กราบได้ไหว้ได้ถวายบังคมได้เข้าเฝ้าแต่ไม่มีโอกาสได้ฟังธรรม ด้วยความเคารพในภาษาสดาภิกษุเหล่านั้นจึงไม่สามารถจะกราบทูลว่าพระเจ้าข้าขอพระองค์โปรดแสดงธรรมมีกระทาแก่พวกข้าพระองค์ด้วยเถิดกล่าวว่าเกรงใจพระพุทธเจ้าที่สุดเลยนะเคารพที่สุดเพราะฉะนั้นจะไปขอบอกนิมนต์แสดงธรรมให้ฟังหน่อยพระเจ้าข้าไม่ได้คือเว้นไว้แต่แบบแบบแบบถ้าเป็นแบบลักษณะทําตัวเหมือนว่าบุคคลคนนั้นตัวเองคุ้นเคยมากเนี่ยน ะ, อ, ะอย่างที่เขาบอกว่าถ้าเป็นแบบโยมกับพระบางกลุ่มบางรูปเนี่ย พอมีความรู้สึกคุ้นเคยมากเลยเนี่ยก็บอกว่านิมนต์ท่านเทศอะไรเงี้ยนิมนต์ท่านหยุดนิมนต์ท่านพักนิมนต์คล้ายว่าเหมือนกับว่าระบบกดปุ่มได้เลยอะไรเงี้ยกดปุนน่มนิมนต์เทศนิมนต์หยุดนิมนต์ฟังอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นก็ประกาศถึงว่าไม่เคารพศักด์เท่าไรเนี่ยนะก็คือไม่มีความเคารพไม่มีความคารวะเพราะอะไรเพราะเพราะว่าไม่พิจารณาว่ากาละเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสมควรหรือไม่สมควรอะไรดีแค่ไหนอะไรอย่างไรไม่ต้นก็ไม่ แ <iam> ยกแยะไม่เป็นเมื่อแยกแ ย, ยะไม่เป็นก็อา้าว ก, ก็ตัวเองก็ทําอย่างที่อำเภอใจนะก็เปรียบเหมือนนายอําเภอที่ทําอะไรได้ตามอำเภอเนะี่ยหมายว่าในขอบเขตที่ตัวเองอยากจะทําอะไรก็ทำไปเนี่ยนะแต่ว่าพระพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือท่านมีความเคารพนพระพุทธเจ้ามากแม้กระทั่งว่าขอร้องให้พระองค์แสดงธรรมเนี่ยนะถ้าไม่ใช่การไม่ใช่เวลาไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสมเป็นต้นเนี่ยไม่กล้าเลย ไม่กล้าแม้แต่จะเรียกว่าจะทูลขอแต่ก็มีศรัทธาที่จะฟังปรารถนาที่จะฟังทำไอ้ทำไงดีก็เลยกราบถูอ่ขอร้องท่านพระอนน์ใช่ไหมในอัตถกาถากล่าวถึงว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เป็นครูเนี่ยนะผู้ครูนี่แปลว่าเคารพเป็นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความเคารพบุคคลเป็นที่ตั้งแห่งความยำเกรงอย่างแรงกล้า พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยยากที่บุคคลจะได้เข้าพบเข้าพบยากว่างั้นเถอะเหมือนอะไรเหมือนพญาราชสีที่เที่ยวไปตามลําพังเหมือนว่าแม้จะไปไปคุยกับพยาราชสีหน่อยเนี่ยแหมทําใจลําบากเหมือนเถอนะเหมือนกับกุญชรที่ตกมันเหมือนกับช้างที่กําลังตกมันเนยเหมือนอสรพิษที่กําลังแผ่พังพานเหมือนกองไฟใหญ่ที่ลุกโพล่ อันสมัยก่อนเนี่ยเขาเค า, ารพมากเลยเนี่ยนะจะเรียกว่ากลัวก็กลัวว่าจะเรียกว่าเคารพบอกเคารพจะเรียกว่าบูชาก็บูชาจะเรียกว่ารักพระพุทธเจ้ายินดีที่สุดกับพระพุทธเจ้าก็ยินดีมันมีทั้งความรักมีทั้งความครบเคารพยำเกรงมีทั้งศรัทธามีทั้งความรักมีอะไรอยู่ทุกอย่างอยู่ใน พ, พ, นนะพนนระ พ, พุทธเจ้าเนี่ยนะท่านจึงกล่าวว่าพระพุทธเจ้าข้างหลายเป็นบุคคลที่เข้าถึงได้ยากเหมือนงูพิษ เหมือนไก่สอนราชสีเหมือนพญาช้างคือพระพุทธเจ้านั้นเวลาที่บุคคลเข้าในเข้าไปเฝ้าเวลาที่ไม่สมควรนี่พระองค์จะบอกว่านี้กาละกาละนี้ไม่สมควรไม่ใช่หรือพระองค์จะประกุตรัสเองเนี่ยสมมติถ้าเขาเบุคคลเข้าไปเฝ้าพระองค์เนี่ยนะโดยผิดการแล้วก็ผิดเวลาเป็นต้นพระองค์ก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมเธอมาการนี้กาละนี้ไม่เหมาะสมการนี้ไม่สมควรเนี่ยนะก็มันผู้ที่เข้าเฝ้าเนี่ยต้องอธิบายได้ว่า เข้าเฝ้าในกาละที่ไม่สมควรนั้นด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าคือบุคคลที่ทำเฉพาะสิ่งที่มีประโยชน์เท่านั้นสิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์กาจัดสิ่งเหล่านั้นทิ้งออกไปโดยสิ้นเชิงเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าเห็นท้าอะไรที่เป็นขยะมูลฝอย ปัดได้ก็ปั ด, ปดกวาดได้ก็กวาดเททิ้งได้ก็เททิ้งนะไม่รู้จะเอาไว้ทำไมใช่ไหมสิ่งที่สกปรกทั้งหลายโดยเฉพาะสิ่งที่สกปรกแล้วก็ลุกลามเป็นเชื้อโรคเป็นเชื้อเพลิงด้วยเนี่ยนะก่อให้เกิดไฟเป็นต้นลุกไหม้สร้างความเสียหายก็เป็นสิ่งที่ต้องขจัดทิ้งออกไปฉันใดสิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาและทางใจเนี่ยนะพระองค์กำจัดสิ่งที่กำจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งปวงเหล่านั้น ทิ้งไปเสร็จสิ้นแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นบุกเป็นผู้ที่เข้าพบได้ยากภิกษุเหล่านั้นเมื่อไม่สามารถจะวิงวอนพระศาสดาผู้ที่เข้าพบได้ยากคือเข้าพบยากอยู่แล้วเนี่ยนัแม่ก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยจะขอโอกาสไปเฝ้าพระราชาใช่ไหมเป็นพระราชาที่เคารพแห่งแผ่นดินเนี่ยนะเข้าเฝ้าแม้จะหาโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ก็ยากอยู่แล้วเนี่ยพอไปพบหน้าปับ๊บนิมนต์ท่านปาตกระถาให้ฟังหน่อยอย่างเงี้นะอาราธนาแบบ แค่ได้เข้าเฝ้าก็ถือว่าเป็นบุญแล้วเนี่ยนะอย่าเรียกว่าแทบจะว่าอะไรนะั้นให้เชื้อเชิญให้พระราชาเนี่ยให้โอวาดแสดงแสดงอะไรแสดงราโชวาดให้ฟังหน่อยเป็นต้นเนี่ยนะก็ยากแล้วแม้แต่โอกาสจะเข้าเฝ้า ย, ยังยากพิกษุ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันแม้แต่จะเข้าเฝ้าพระศาสดาได้ก็ยังเป็นของยากจะกล่าวไปยายถึงทูลอ้อนวอนขอร้องให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมถ้าไม่ใช่กาลที่เหมาะสมและก็สมควรเนี่ยนะ อันท่านก็เลยคิดว่าทำไฉนเนอ้อเราจะได้ฟังธรรมนั่นนะเพราะเหตุใดพระอานนทีระจึงบอกกับภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าพวกเธอพึงเข้าไปยังอาสมของ ร, รัมมกะพระนน่นไปรอที่อาสมไปรอที่ศาลานู่นนะ่ะนะท่านนนบอกได้ยังไงทําไมจึงแบบนั้นโ่นไปรอฟังที่โน่นนะอย่างเงี้ยก็บอกว่าเพราะมีกิริยาที่ปรากฏคือ กิริยาของพระทศพลเนี่ยปรากฏแก่พระธีระคือวิไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยโดยลำพังทั่วๆไปเนี่ยพระนอนุนเข้าใจเลยว่าหมายความว่าอย่างไรนที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะอะไรเพราะพระองค์ประสงค์ให้พระอนุน์รู้ด้วยไม่ใช่พระอนุนแบบแหมเก่งเหมือนเป็นสัพพันยูมองเห็นแล้วก็อ่านทะลุปลุก ป, ปองไปหมดไม่ใช่แต่เป็นกิริยาที่พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดง แล้วก็เท่ากับสื่อให้พระนรู้ว่าพระองค์ต้องการอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพระนรไปเที่ยวอ่านใจแล้วก็เป็นนักกะเดาเอาว่าเดี๋ยวพระพุทธเจ้าจะย่างนั้นอย่างนี้ไม่แต่ว่าพฤติกรรมทั้งหลายที่พระองค์แสดงเนี่ยเท่ากับบอกพระนรว่าพระองค์ประสงค์อย่างไรมันพระองค์มีกิริยาเหล่าใดพระนรก็อ่านตามกิริยาทั้งหลายเหล่านั้นโดยที่ไม่ต้องมีการพูดคุยกันเนี่ยนะก็เหมือนอะไรนะคนสนิทที่เรียกว่ารู้ใจที่สุดอย่างนั้นแหะพระนรเนี่ยรู้ใจพระพุทธเจ้ามากที่สุด ถามว่ามาขนาดไหนบอกมาเป็นโอ้ยไม่รู้กี่แสนชาติแล้วเนี่ยนะเป็นเป็นเขาเป็นอุปถัมภ์พระพุทธเจ้ามาหลายหลายแสนชาติมากเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วพระอนนเนี่ยจะรู้หมดเลยพฤติกรรมของพระพุทธเจ้าถ้าสแสดงแบบนี้เป็นอย่างนี้ตลอดจนถึงเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็เป็นพระสาวกด้วยเนี่ยนะท่านจะเข้าใจทั้งหมดดูจากกิริยาของพระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าประสงค์อย่างไรนั่นะนะอย่างในหลายสูตรเนี่ยพระ อ, องค์บอกว่าเออ ช่วยจัดเสนาสนะให้พระปุณห์หน่อยนะไอะคำสั่งนี้มันพิเศษแปลว่าจัดที่อยู่ในพระกุฏิเดียวกันของพระพุทธเจ้าคือทุกคําที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยพระอนนทจะเข้าใจเนี่ยนะนั้นจึงไม่มีการเพียนพลาดนี้เหมือนกันพระอนนทเถระทราบว่าวันนี้พระศาสดา ป, ประทับอยู่ที่พระเชตวันถ้ากลางคืนอยู่เชตวันกลางวันต้องพักผ่อนอยู่ที่ปุปพารามเนี่ยนะอยู่ที่วัดของนาง วิสาขาวันนี้เนี่ยนะนะคือวันนั้นเนี่ยตอนกลางคืนนี้พระ อ, องค์ประทับอยู่ที่เชตาวันใช่ไหมวันนี้พระ อ, องค์ต้องเสด็จเข้าไปบินทบาทตามลำพังพระ อ, องค์คือพระพุทธพระอนนเนี่ยรู้ได้เลยว่าวันนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าจะบินทบาทองค์เดียวหรือหรือพระ อ, องค์เนี่ยต้องการให้ภิกษุสงฆ์ห้อมล้อมเวลาไปบินทบาทหรือพระ อ, องค์เนี่ยวันนี้เป็นวันที่เสด็จจาริกออกไปใน ชนบทเนี่ยนะโดยมากไม่ได้ประกาศว่าอีกสามวันพระองค์จะเสด็จไปแล้วนะอะไรเนี่ยไม่มีนะท่านพระองค์ก็ดูการละอันสมควรพระองค์ก็เสด็จเลยเนี่ยนะถามว่าเจโตปริย า, ยานเนี่ยนะมีพระนนเนี่ยมีเจโตปริย า, ยานให้ท่านได้รู้หรือว่าตอนนี้อพระพุทธเจ้ามีพระประสงค์อย่างไรพระนรนเก่งขนาดนั้นเลยใช่ไหมพระพุทธเจ้ากําลังคิดอะไรอยู่เนี่ยพระนรนรู้ขนาดนั้นเลยหรือเปล่าบอกไม่มีหรอก พระอนุลไม่มีความสามารถขนาดนั้นแต่รู้โดยนิยะตามกิริยาอาการที่พระพุทธเจ้าแสดงให้พระอนุ์รู้พระอนุลก็คาดคะเนถูกคือพระองค์ให้สื่อออกไปว่าพฤติกรรมแบบนี้พระอนุลจะเข้าใจแบบนี้ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ถ้าอะไรที่จะเข้าใจผิดพลาดเนี่ยพระองค์ก็จะเตือนพระองค์ก็จะบอกพระองค์ก็จะเตือนแต่ถ้าหากว่าโดยทั่วไปว่าพระอนุ์เข้าใจถูกต้องแล้วจากพฤติกรรมที่แสดงออกไปพระองค์ก็ รพระอนลก็สามารถจัดการเป็นไปตามพุทธประสงค์กิริยาอ น, นันต์เนี่ยเป็นอย่างไรที่ทําให้พระอนลรู้บอกว่าจริงอยู่วันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทรับอยู่ณนะพระเชตวันมีพุทธประสงค์จะทรงพักผ่อนกลางวันที่ปุกพารามหลังจากชันเสร็จเมื่อชันชันอาหารเสร็จแล้วพระองค์จะต้องไปพักกลางวันที่วัดปุกพารามแน่นอนเวลาใดเวลานั้นทรงแสดงอาการไปดูวิธีการว่า ถ้าพระองค์ไม่กลับคืนนั้นเนี่ยแปลคำว่าเช้าเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยพระองค์จะไปแล้วไม่ได้กลับมาค้างคืนที่นี่อีกดูจากอะไรดูจากพระพุทธเจ้าแสดงอาการเก็บเสนาสนะและเรื่องบริการคิดว่าเก็บข้าวเก็บของไว้แบบชนิดเรียกว่าไม่ได้กลับมาดูแลเก็บข้าวเก็บของไว้อย่างเรียบร้อยก็แสดงว่าพระองค์คืนพรุ่งนี้คืนข้างหน้าเนี่ยพระองค์ไม่ได้กลับมาพักที่นี่แล้ว พันพธะเทระก็จะเก็บงํามไม้กวาดเก็บงําเครื่องสักการะเป็นต้นที่เขาเอามาทิ้งเอาไว้พันธะพระโอภาษน น, นก็เป็นภาระเนี่ยนะพวเก็บขยะดอกไม้ทั้งหลายแหล่เนี่ย ท, ที่ตอนแรกก็เป็นดอกไม้สดใช่ไหมพอมันเป็นเฉาแล้วก็เป็นขยะมันก็ท่านก็จะไปปัดกวาดเช็ดทูดูแลเรียบร้อยหมดแล้วก็ไป